เรื่องพระชพรัปปกียกปาติโมกขึ้นแสดงแก่บริษัทเท่าที่มีสมัยนั้นพวกภิกษุชพรัปปกียกปาติโมกขึ้นแสดงแก่บริษัทเท่าที่มีคือเฉพาะบริษัทของตนของตนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ